กฎมนุษย์สร้างระบบเงื่อนไขยังมีการเข้าใจผิดกันมากหลายคนคิดว่าถ้ากระตุ้นตันหาทำให้คนโลภมากๆจะได้ขยันทำงานกันยกใหญ่เพื่อจะได้มีใช้มีเสพว่ากันให้ฟุ้งเฟอือเหลือล้นไปเลยแล้วทีนี้เศรษฐกิจจะดีจะขยายตัวมากมายดูเพลินๆที่ว่ามา คล้ายว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงแต่ไม่ใช่ยังดูไม่เป็นจึงได้พลาดกันมาควรศึกษากันให้ดีอันนั้นพูดสั้นๆว่าเป็นความฉลาดในการจัดการตัญหาในระบบเงื่อนไขแต่ถึงจะฉลาดจัดการเก่งอย่างไรวิธีนี้ก็แทบไม่มีทางจะสร้างคนอย่างไอสไตล์ขึ้นมาได้จะได้ก็แค่นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งบางทีก็ทำให้ประชาชนตื่นและเต้นกันไปเต้นกันมาตามผลการวิจัยผ่านไอทีชนิดที่ไม่ได้แกนสารจริงจังถ้าจะผ่อนเบาปัญหาก็ต้องเอาฉันทะมาช่วยอีกนั่นแหละดูเรื่องง่ายๆก่อนแค่ร่างกายแขนขาหน้าตาของตัวนี่เองคนหนึ่งมีฉันทะก็ใส่ใจดูแลด้วยอยากให้มันแข็งแรงสะอาดหมดจดสดใสอยู่ในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของมัน อีกคนหนึ่งอยู่กับตัญหาตามปกติจึงขี้เกียจไม่ดูแลมันเลยต่อมาเกิดตัญหาจะยั่วยวนล่อตาคนอื่นจึงเป็นเงื่อนไขให้ต้องพยายามแต่งให้สวยที่สุดขอให้ดูว่าในสองรายนี้อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนจะพอดีและให้ผลดีแก่ชีวิตร่างกายมากกว่านี่คือง่ายๆในชีวิตประจำวัน ที่นี้ก็มาดูระบบเงื่อนไขในการจัด ก, การตันหาเมื่อกี้ได้บอกให้เห็นความแตกต่างระหว่างกระบวนการของฉันทะกับกระบวนการของตันหาอย่างที่หนึ่งแล้วคือในกระบวนการของตันหาจะเกิดมีอัตราหรือตัวตนขึ้นมาที่นี้ก็ถึงความแตกต่างอย่างที่สองคือกระบวนการของตันหาที่ใช้ตันหาเป็นแรงจูงใจ เป็นตัวขับเคลื่อนอริยธรรมด้วยระบบเงื่อนไขพร้อมกับเป็ น, นกลไกของการพัฒนาที่เรียกกันว่าไม่ยั่งยืนพอตันหาเกิดขึ้นก็อยากจะเสพแต่ยังไม่มีของที่จะเสพก็หาทางจะได้จะเอามาตอนนี้มันจะไม่เดินหน้าไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัยแต่จะมาเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการแบบเงื่อนไข ตรงนี้ขอให้สังเกตเดี๋ยวจะเถียงว่าเออตันหาก็ททำให้อยากทำเหมือนกันเนี่ยเปล่าไม่ใช่อยากทำหรอกตันหามันอยากจะเสพอยากจะได้อยากจะเอาแต่มันยังไม่มีจะเสพมันยังไม่ได้แล้วทำอย่างไรจะได้มาเสพละ่ะก็เลยมาเข้ากับระบบเงื่อนไขว่าคุณต้องทำนี่แล้วคุณจะได้นั่นถ้าคุณไม่ทำอันนี้ คุณก็ไม่ได้อันนั้นเนี่ยละปัญหาจึงทำให้เกิดการกระทำในระบบเงื่อนไขเมื่อทำตามเงื่อนไขทำเพราะเป็นเงื่อนไขก็ไม่ใช่ทำเพราะอยากทำก็ไม่มีฉันทะเมื่อการกระทาไม่เป็นการสนองความอยากทำคนนั้นก็ไม่มีความสุขเขาไม่อยากทำเขาก็ไม่เต็มใจทำการกระทำนั้น ก็กลายเป็นความทุกข์พวกตัณหานั้นทําแค่ตามเงื่อนไขเพราะถ้าตัวไม่ทําก็จะไม่ได้ของมาเสพและเขาจะสุขต่อเมื่อได้เสพแต่ตอนทําเนี่ย จ, จําใจก็จึงต้องทําไปด้วยความทุกข์ต้องรอเวลาที่จะได้เสพอีกตั้งเมื่อไร่กว่าจะได้ความสุขตอนทํานี่ ย, ยาวกว่าจะได้สุขสักที ต้องทุกไปตั้งนานแถมรอว่าเวลาที่จะได้เสพยังไม่มารอนานนักหนาก็พาให้เครียดไปๆมาๆกระบวนการพัฒนาก็ไม่ยั่งยืนและคนที่ทำการพัฒนาก็ได้พัฒนาความเครียดถ้าอยู่ไปกับการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนแบบนี้ก็จะมีผลกำไรคือได้ความเครียดอย่างยั่งยืน แต่ทางฝ่ายฉันทะนั้นมีความอยากจะทําให้มันดีอยู่แล้วก็ทํางานด้วยความอยากทําอยู่ตลอดเวลาก็เลยสุขทุกเมื่อไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักเครียดสุขได้เรื่อยไปตลอดเวลาที่ทํานั้นอันนี้เป็นความสุขที่เกิดโดยตรงตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามกระบวนการของมันไม่ว่าจะเล่าเรียนจะทํางานหรือจะทําการอะไรก็เป็นไปตามหลักเดียวกัน ถ้าทำด้วยฉันทะนี้ก็ทั้งได้ผลดีและมีแต่สุขทุกวันคงยอมรับกันได้ว่าหลักที่พูดมันนั้นสำคัญมากท่านถือว่าฉันทะเป็นจุดเริ่มพระพุทธเจ้าตรัสว่าการเกิดขึ้นของฉันทะเป็นเหมือนแสงอรุณเปรียบเหมือนว่าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะอุทยัยย่อมมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนฉั้นใด ถ้าฉันทาเกิดขึ้นแล้วก็หวังได้แน่ใจว่าจะเจริญงอกงามในอริยมรรคาอันมีองค์ปดหรือในสิกขาคือการศึกษาฉันนั้นเรื่องของฉันทะนั้นก็เป็นอย่างนี้ไม่ต้องชี้แจงมากเพราะเป็นเรื่องธรรมดาของกระบวนการธรรมชาติที่เป็นไปของมันเองตามแต่เหตุปัจจัยตอนนี้เรามีเรื่องซับซ้อนเพราะมาเจอกระบวนการของมนุษย์ ที่ใช้ระบบเงื่อนไขเคยยกตัวอย่างบ่อยๆให้เห็นว่าโลกมนุษย์เวลานี้อยู่ในระบบเงื่อนไขแทบทั้งนั้นมนุษย์มีความฉลาดก็จะตั้งกฎสมมติซ้อนขึ้นมาบนกฎธรรมชาติเพื่อให้ได้ผลตามเงื่อนไขกฎธรรมชาติคือกฎแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่มีอยู่เป็นธรรมดา ส่วนกฎสมมุตินั้นมนุษย์ที่ฉลาดจัดตั้งขึ้นโดยมาตกลงกันวางเป็นเงื่อนไขให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยชนิดที่สมมุติขึ้นมาตามตกลงจะเห็นว่าในโลกมนุษย์มีกฎสองกฎนี้ซ้อนกันอยู่ทั่วไปเป็นองค์ประกอบสำคัญของอริยธรรมปัจจุบันตัวอย่างซึ่งเห็นได้ง่ายก็คือในเรื่องการทำงานขอยกมาพูดประกอบไว เรามีสถานที่ราชการหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นมหาวิทยาลัยก็ได้ที่มีบริเวณกว้างขวางมีอาคารมากมายสวยงามเราก็อยากให้สถานที่เรื่นรมมีสนามหญ้าเขียวขจีมีต้นไม้นานาพันธุ์มีใบดอกและดอกหลากสีสวยงามบานสะพรัง่งเป็นที่สดชื่นรื่นรมเมื่อต้องการอย่างนี้เราจะทำอย่างไรตอนนี้ละ่ะมนุษย์มีปัญญาฉลาด รู้จักแบ่งงานกันทำก็เลยจัดตั้งเป็นระบบสมมุติขึ้นมาเรารู้อยู่ถึงกฎธรรมชาติที่ว่าต้นไม้แม้แต่หญ้าจะงอกงามเขียวขจีสดชื่นได้ก็โดยอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงมีเครื่องบารุงดีมีน้ำมีปุ๋ยเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยในธรรมชาติเป็นกฎที่แน่นอนเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็มาคิดว่าเราจะทาอย่างไร ให้เหมือนกับว่าไปขับเคลื่อนผลักดันให้เหตุปัจจัยทั้งหลายดำเนินไปตามกระบวนการของธรรมชาตินั้นถึงตรงนี้เราก็ตั้งกฎมนุษย์ซ้อนขึ้นมาอย่างที่ว่าแล้วกฎมนุษย์เป็นสมมติคือเป็นข้อตกลงโดยรู้และยอมรับร่วมกันสมมุติหรือสมมติแปลว่ารู้ร่วมกันและก็ยอมรับกันตามนั้น ก็คือตกลงกฎสมมุติของมนุษนั้นเรียกกันว่ากฎหมายก็เป็นกฎโดยหมายรู้คือตามสัญญาว่าไปตามสมมติที่ตกลงกันว่าเอาอย่างนี้นะเอาเป็นว่าฉันจะจ้างคนขึ้นมาล้วนะให้เขาเป็นคนสวนมาทำหน้าที่รดน้ำรวนดินตัดแต่งต้นไม้กำจัดวัชพืชเป็นต้นดูแลบำรุงพืชพันธุ์ให้เป็นสวนที่รื่นรมสวยงาม เดยจะให้เงินเดือนเ0็ดพันบาทนี่ก็คือเป็นกฎขึ้นมาแล้วใครมาทำงานนี้การทำงานนั้นก็เป็นเหตุให้เขาได้ผลตามกฎนี้คือทำสวนหนึ่งเดือนได้เงินเจ0 0บาทการทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือนเจ0 0บาทเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นไปนตามเหตุปัจจัยตรงไปตรงมาชัดเจนเลยทีเดียว เออมองดูก็จริงเนี่ยคนต้องทำสวนรดน้ำพรวนดินอยู่หนึ่งเดือนแล้วเขาก็ได้เงินเดือนเจ็ดพบาทเงินเดือนเจ็ดพันบาทเป็นผลของการทำสวนชัดเลยแต่ตอนนี้ที่จริงมีสองกฎซ้อนกันอยู่คือหนึ่งกฎธรรมชาติว่าต้นไม้จะงอกงามได้เพราะมีปุ๋ยมีน้ำมีอะไรต่างๆที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์ อันนี้คือกฎธรรมชาติที่แน่นอนเด็ดขาดแล้วก็มีข้อที่สองกฎมนุษย์ซ้อนเข้ามาเพื่อมาขับเคลื่อนผลักดันเหตุปัจจัยให้เป็นไปตามกฎธรรมชาตินี้ซึ่งเป็นกฎสมมุติหรือกฎมนุษย์หรือกฎหมายก็แล้วแต่บอกว่าให้คนมาทำงานที่เรียกว่าทำสวนและมาทำสวนครบหนึ่งเดือนจะได้เงินที่เรียกว่าเงินเดือน7็0บาท เราก็มีกฎที่ว่าด้วยเหตุปัจจัยของมนุษย์ขึ้นมาเหตุปัจจัยในกฎมนุษย์ก็มาช่วยขับเคลื่อนผลักดันให้เหตุปัจจัยในกฎธรรมชาติดำเนินไปทำให้เกิดผลออกมาสมความปรารถนาของมนุษย์แต่ก็อย่างที่ว่านั่นแหละกฎมนุษย์นี้เป็นกฎสมมุติคือเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันมันไม่แน่นอนเด็ดขาดมันอย่างกฎธรรมชาติ คืออาจจะเบี้ยวหรืออาจจะหลอกกันได้เช่นว่าทําสวนครบหนึ่งเดือนแล้วแต่ผู้จ้างอาจจะไม่ให้เงินเ0็ดบาทบางทีก็ให้แค่ห้า0ันบาทถ้าไม่ยอมก็ต้องทะเลาะหรือฟ้องร้องกันหรือในทางตรงข้ามนายคนที่มารับจ้างทําสวนเอาเงิน700ดบาทอาจจะไม่ตั้งใจทํางานแกก็หลบนอนหลบนั่งแอบดื่มเหล้าอะไรต่างๆถึงวันก็มาเอาเงินเดือนไป แต่ไม่ทำเหตุปัจจัยตามกฎธรรมชาติทีนี้เมื่อเขาไม่ทำตามกฎธรรมชาติถึงเขาจะได้เงินเดือนเจ00พันบาทหรือเพิ่มเป็นหนึ่งหมืนต้นไม้ก็ไม่งามขึ้นมาได้เป็นอันว่าในสองกฎที่มาซ้อนกันอยู่นั้นกฎมนุษย์นี้บิดเบี้ยวได้หมายความว่าไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้และพอไม่ทำตามเป็นอย่างไร มนุษย์ก็ทะเลาะ ก, กันมนุษย์ก็มาวุ่นวายกันด้วยเรื่องเงื่อนไขในกฎสมมติของมนุษย์นี่ละ่ะระบบสมมุตินี้จึงยุ่งยากก่อปัญหามากที่สุดเสร็จแล้วมันก็ไม่ใช่ของจริงสักอย่างในกฎมนุษย์นี้กลายเป็นว่าความจริงไม่ได้อยู่ที่กฎแต่ความจริงมันอยู่ที่คนจะให้ได้ผล จึงต้องฝึกคนให้ซื่อสัตย์ไปๆไปมาๆมาก็เป็นปัญหาในเรื่องของการศึกษาคือการที่จะพัฒนาตัวคนอย่างน้อยเขารักธรรมะรักความจริงอยู่กันด้วยสัจจะย้ำอีกทีว่ากฎสมมุติของมนุษย์นี้เป็นระบบเงื่อนไขคุณต้องทำสวนหนึ่งเดือนแล้วคุณจึงจะได้เงินเดือนเจ0 0ันบาท มองดูก็เป็นเหตุเป็นผลเหมือนสมจริงแต่ดูให้ชัดเป็นเหตุผลจริงหรือการทำสวนหนึ่งเดือนย่อมไม่ทำให้เงินเจ0 0พบาทเกิดขึ้นมาได้มีที่ไหนไม่มีหรอกแต่มันเป็นไปโดยเงื่อนไขว่าเมื่อคุณทำสวนครบหนึ่งเดือนแล้วจะมีการให้เงินเจ0 0พบาทอันนี้แหละเรียกว่าระบบเงื่อนไข ทีนี้ถ้าคนสวนทำงานเพียงตามระบบเงื่อนไขก็คือเขาทำสวนเพราะมันเป็นเงื่อนไขที่จะให้เขาได้เงินเจ็ดพันบาทแต่ในใจของเขานั้นเขาไม่ได้มีความต้องการอะไรกับการที่จะให้ต้นไม้งอกงามแล้วการที่คนมารับจ้างทำสวนโดยต้องการแต่เงินเจ็ดพันบาทไม่ได้ต้องการให้ต้นไม้งามนั้นเป็นไปได้ไหมอ้าวก็เป็นได้สิ เพราะเขาต้องการได้เงินเขาจึงมาทำสวนเขาไม่ได้อยากทำให้ต้นไม้เติบโตงอกงามอะไรนี่เห็นแล้วยังว่าเรื่องมันยุ่งตรงนี้ตรงนี้ก็ทวนอีกทีถ้าคนทำสวนต้องการแต่ผลตามกฎของมนุษย์ไม่ได้ต้องการผลที่ตรงไปตรงมาตามกฎธรรมชาติก็คือเขาไม่มีความอยากที่เป็นกุศลคือไม่มีความต้องการให้ต้นไม้นั้นดีนี่คือ เขาไม่มีชันทะเขามีแต่ตัญหาคืออยากได้เงินเจ็ดพันบาทตัญหาก็จึงทำให้เกิดการทำงานตามระบบเงื่อนไขของกฎสมมติที่ตกลงกันไว้ถึงตอนนี้จุดที่จะเน้นก็คือว่าเมื่อคนไปทำสวนโดยไม่มีชั้นทะคือไม่มีความต้องการที่จะให้ต้นไม้เติบโตงอกงามเขาก็ไม่รักงานเขาก็จำใจฝืนใจทา เพราะฉะนั้นเขาก็จึงทำงานด้วยความทุกข์นี่คือปัญหาหนึ่งที่สำคัญของคนในโลกปัจจุบันที่กลายเป็นว่าอริยธรรมเจริญขึ้นมาคนก็จเจริญไปด้วยความทุกข์คนทำงานทำการเรียนหนังสือกันด้วยความทุกข์เราพากันมาอืดตืออยู่ในระบบเงินไขเสซื้หมดผู้ตรงๆก็คืออยู่ในระบบตันหานั่นเอง